พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงโปรดสัตว์โลกมาตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันเป็นคำสอนที่มีเนื้อหาสาระอันเดียวกันคือทรงสอนวิธีการดับความทุกข์ ที่มีอยู่ในใจของสัว์โลกให้หมดสิ้นไปสงสอนวิธียุติการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเป็นการสร้างความทุกข์การเกิดการแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นความทุกข์ การเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆก็เป็นความทุกข์สงสอนวิธีที่จะทำให้ศัตว์โลกสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ให้ยุติการเกิดแก่เจ็บตาย ในพบต่างๆการกระทําตามคาสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นการกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของผู้ปฏิบัติให้ค่อยๆหมดไปตามกําลังของการปฏิบัติ ให้ลถจำนวนของภพชาติที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายให้มีน้อยลงไปตามลำดับและให้ภพชาติที่เหลืออยู่เป็นภพชาติที่ดีกว่าที่เป็นอยู่คือในแต่ละภพแต่ละชาติที่เหลืออยู่ จะเป็นภพชาติที่ดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือผลที่ผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้รับกัน ทรงสอนให้เราปิดประตูอบายเป็นการปฏิบัติขั้นขั้นขั้นต้นขั้นที่หนึ่งคือให้เรามาปิดประตูอบายกันอบายคืออะไรอบายคือพบของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายและของนรก พระ อ, องค์ทรงค้นพบว่าเหตุที่จะนำไปสู่การไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์นรกนี้เกิดจากการกระทําบาปและอบายามุกต่างๆจึงทรงสอนให้ชาวพุทธผู้นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะ เป็นครูเป็นอาจารย์ให้ละการกระทำบาปทั้งปวงก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปบาปก็คือหนึ่งการฆ่าสัตว์สองการลักทรัพย์สาการประพฤติผิดประเวณีสการพูดปลด ห้าการดื่มสุรายาเมาและอบายามุขอื่นๆคือการเที่ยวกลางคืนการเล่นการพนันการคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรและความเกียดคร้านนี่คือการกระทาที่จะดึงจิตใจของสัตว์โลกให้ลงต่ำ ให้ลงไปสู่อบายถ้าสัตว์โลกสามารถรักษาศีลห้าได้ละเว้นจากการเสพอบายามุขต่างๆได้สัตว์โลกก็จะสามารถปิดประตูอบายได้อบายามุขก็คือประตูนี่เองประตูสู่อบายอบายแปลว่า ที่แผลบของเดรฉ า, านของเปรตของอสุรกายของนรกมุกก็แปลว่าทวาวรทางเข้าหรือประตูนี่เองดัง้นเราต้องมาปิดประตูกันถ้าเราไม่อยากจะเข้าไปในอบายเราต้องปิดประตูอบายด้วยการละการเสพอบายามุกอบายามุกนี้ท่านแสดงไว้ห้าหรือหข้อด้วยกัน ข้อที่หนึ่งดื่มโซราข้อที่สองเล่นการพนันข้อที่สเที่ยวกลางคืนข้อที่สี่เที่ยวดูการละเล่นต่างๆข้อที่หคบคนชอบอบายามุขเป็นมิตรและข้อที่6ความเกลียดคร้านนะการกระทำเหล่านี้จะเป็นเหตุให้เราไปทำบาปกันได้ง่ายนั่นเอง เพราะการกระทำเหล่านี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเมื่อมีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้ทรัพย์สินที่เราไม่อยู่ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดไปพอหมดไปเราที่เราไม่เคยไปทำงานทำการไปหาเงินหาทองโดยวิธีสุจริก็จะหาไม่ได้ ก็จำเป็นจะต้องไปหาเงินโดยวิธีทุจริตไปลักขโมยหรือไปโกหกหลอกลวงและบางครั้งบางคราวเวลาไปปนไปจี้ก็อาจจะมีการต่อสู้กันและก็มีการฆ่ากันได้นี่คืออบายมุก เหตุที่จะทำให้ไปไปไปทำบาปกันพอทำบาปแล้วก็จะไปอบายทันทีการไปอบายทาไมจึงมีสงถึงสี่สี่แห่งด้วยกันเพราะว่าเหตุของการทำบาปนี้มีไม่เหมือนกันนั่นเองท่านแสดงไว้ว่าถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาป ว่ามีผลคือมีอบายตามมาก็จะไปเกิดเป็นเดลชานเพราะพวกเดลชานนี้เขาอยู่กันด้วยการทำบาปโดยที่เขาไม่รู้ว่าเป็นเหตุที่ทำให้เขามาเป็นเดลชานกัน เ, ออเขาทำบาปเพราะเขาต้องดำรงชีพ เ, ออเขาต้องฆ่าผู้อื่นฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยกว่าเขา เพื่อเขาจะได้อยู่ได้มนุษย์ถ้าทำแบบนี้ก็เป็นเหมือนเดรัจฉานมนุษย์ผู้ดำรงชีพด้วยการฆ่าผู้อื่นฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่นจับปลามาฆ่าฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายเป็นอาชีพเป็นการเลี้ยงชีพ อันนี้ก็จะทำให้ไปเกิดในเป็นเดรัจฉานหลังจากที่ตายไปแล้ว น, นี่คือข้อที่หนึ่งการไปเกิดเป็นเดรัจฉานเกิดเพราะทำบาปด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงข้อที่สองคือเปรตการทำการไปเป็นเปรตนี้เกิดจากการทำบาปด้วยความโลภ อยากได้มากๆอยากมีมากๆพอไม่สามารถมีมากได้ด้วยการไม่ทำบาปก็ไปทำบาปกันไปหลอกลวงไปโกหกหลอกลวงไปลักทรัพย์ไปช่อโกงไปป้นไปจี้หรือไปประพฤติผิดประเวณีอยากมีแฟนหลายหลายคน ก็ต้องไปประพฤติผิดประเวณเเวีเพราะประเวณีของมนุษย์นี้ควรจะมีแฟนเพียงคนเดียวนั่นเองถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็นความโลภทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเกิดเป็นเปรต เตรตนี้ก็มีลักษณะที่มีแต่ความหิวโหวยอยู่ตลอดเวลาต่อให้ได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็จะหิวโหวยอยู่เหมือนเดิมได้เท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะความโลภนี้เองความโลภทำให้จิตใจหิวโหวยไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไร ความหิวโหวยความโลภ ก, ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปดังที่เราคงจะเห็นกันในตัวเราเองนี่แหละตอนต้นเราได้สิบบาทก็ดีใจต่อไปก็อยากจะได้ร้อยบาทพอได้ร้อยบาทก็อยากจะได้พันบาทพอได้พันบาทก็อยากจะได้หมื่นบาทแสนบาท อยากจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกอิ่มรู้สึกพอนี่คือธรรมชาติของความโลภจิตที่มีความโลภครอบงำจึงเรียกว่าเปรตมีจิตที่มีความโลภครอบงำและไปทำบาปเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้ก็เรียกว่าเปรตแต่ถ้ามีความโลภและหามาได้โดยวิธีไม่ได้ทำบาปนี้ยังไม่ได้เป็นเปรต แต่เป็นเป็นมนุษย์ที่มีความหิวโหยมีความอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอต้องทำบาปถึงจะไปเป็นเปรตนี่คือการไปเป็นเปรตเป็นเพราะเกิดความโลภขึ้นมาภายในใจแล้วไม่หาได้ไม่พอตามวิธีที่ถูกต้องคือ ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ต้องไปทําวิธีการกระทําบาปเพื่อที่จะได้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการอันนี้เรียกว่าทําบาปด้วยความโลภใจก็จะเป็นเปรตจะไปเกิดเป็นเปรตหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วส่วนอสุรกายนี้ก็คือ ผู้ที่ทํำบาปด้วยความกลัวกลัวว่ากลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้กลัวสัตว์ชนิดนั้นกลัวสัตว์ชนิดนี้พอเจอก็ต้องฆ่าต้องตีทันทีกลัวงูกลัวมดกลัวยุงกลัวอะไรที่จะคิดว่าจะมาทําร้ายเราเราก็เลยต้องทําร้ายเขาก่อนนี่ถ้าทํำบาปด้วยความกลัว ก็จะเป็นอสุลกายอสุลกายก็คือดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวตอนนอนตอนนอนหลับก็จะฝันแต่เรื่องที่หวาดกลัวต่างๆส่วนนรกนี้ก็คือผู้ที่กระทำบาปด้วยความโกรธด้วยความเกลียดแค้นเครียดแค้นอาฆาตพยาบาท ทำบาปด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมตาต่อตาฟันต่อฟันอันนี้จะทำให้ไปตกนรกกันจะมีแต่ความร่มร้อนภายในหัวใจตลอดเวลานี่คือสาเหตุของการที่ไปเกิดในอบายต่างๆ เป็นอบายเป็นภพที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขเป็นภพที่ไม่ไม่น่าไปเกิดกันแต่ที่ยังไปเกิดกันอยู่ก็เพราะว่ายัางไม่สามารถรักษาศี่ห้าได้นั่นเองยังไม่สามารถละอบายมุขต่างๆได้ก็จะทําให้ต้องไปเกิดในอบายช่องใดช่องหนึ่งพบได้พหนึ่ง ตามเหตุของการกระทําทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นเดรัจฉานทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตทําบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสุรกายทําบาปด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะไปตกนรกนี่คือสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสอน พุทธศาสนชินิกชนให้ปฏิบัติกันคือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงสัพปะปะปะสะอาการนังกุศลสู้ปะสัมปทาสาจิตตะปัลิโยดะปะนังเอตัมมังพุทธศาสนังอันนี้เป็นคาถาที่แสดงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนอะไรบ้าง สอนหนึ่งให้ละการกระทำบาปทั้งปวงสองให้สร้างกุศลให้ถึงพร้อมสามให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือวิคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดในยุคใดในสมัยใดถ้ามาตรัสรู้แล้วมาสั่งสอนจัดโลก ก็จะสอนเหมือนกันหมดเพราะความรู้นี่เป็นความรู้เหมือนกันหมดอันเดียวกันวิธีที่จะดับความทุกข์ที่จะกำจัดภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดต้องกำจัดด้วยการละการกระทำบาปทั้งปวงทำกุศลตั้งหลายให้ถึงพร้อมทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากความโกรธความหลงต่าง นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะสอนกันพระพุทธเจ้าของพวกเราที่เราได้มาเคารพนับถือเป็นาศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ทรงสอนอย่างนี้เหมือนกันสอนให้เราปิดประตูอบายก่อนเมื่อเรารู้เหตุของการที่จะไปอบายเราหยุดเหตุนั้นเราก็ไม่ต้องไปอบายไม่เห็นจะยากเย็นตรงไหนเลย การไม่ทำบาปนี่ผู้ความจริงมันง่ายกว่าการทำบาปเยอะแยะการไม่เสพอบายามุขนี่มันง่ายกว่าการเสพอบายามุกอยู่เฉยๆทั้นนั้นมันจะยากตรงไหนไปเที่ยวกับการอยู่เฉยๆไหนจะยากกว่ากันจะไปเที่ยวก็ต้องมีเงินต้องหาเงินกันต้องแต่งเนื้อแต่งตัวต้องมีเพื่อนมีฝูง มีที่ไปเที่ยวกันถึงจะไปได้ยุ่งยากมากมายกายกองกว่าการไม่ไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวก็อยู่บ้านเฉยๆนั่นเองทำไมมันจะยากเย็นนักการทำบาปการเสพอบายามุขนี่ยากกว่าการไม่ทำบาปยากต่อยากกว่าการไม่เสพอบายามุขแต่ใจของพวกเรานี้มันมีเวรมีกรรม มันแทนที่จะยากกับมันก็กลายเป็นของง่ายไปของง่ายกับกลายเป็นของยากไปเพราะอะไรเพราะใจเคยทำมามากม า, กายกลายกองนั่นเองมันเลยกลายเป็นของง่ายไปสิ่งใดที่เราเคยทำมาจนติดเป็นนิสัยนี่มันจะง่ายสิ่งใดที่เราไม่เคยทำติดเป็นนิสัยมันจะยากเราไม่มีนิสัยอยู่เฉยๆกัน อยู่ไม่เป็นสุขกันอยู่เฉยๆไม่เป็นต้องหาอะไรทำกันถึงจะมีความสุขเราก็เลยไปเสพอบายามุกกันแล้วก็ต้องไปทำบาป ก, กันมันเลยกลายเป็นของง่ายของยากสำหรับพวกเรามันเลยกลายเป็นของง่ายไปของง่ายมันเลยกลายเป็นของยากไปแต่คราวนี้เราจะมาแก้มันปับ พอเรามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้แก้มาแล้วได้ทำมาแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าอยู่เฉยๆมันง่ายกว่าสบายกว่าง่ายกว่าการไปเสพอบายามุขมากกว่าการไปทำบาปทากรรมเราต้องมาฝึกกันใหม่หัดกันใหม่หัดมาอยู่เฉยๆกันถ้าเราอยู่เฉยๆได้เราก็ไม่ต้องไปทำบาปทากรรม ไม่ต้องไปเสพอบายามุขแต่เราอยู่เฉยๆไม่เป็นนั่นเองเราจึงต้องมาฝึกจากพระพุทธเจ้ามาเรียนจากพระพุทธเจ้าให้เราใช้ฮิรีโอตตปะในการที่เราจะหยุดการกระทำบาปนี้ให้เรามีฮิริมีโอตตปะฮิริแปลว่าอะไรคือความอาย โอตปะคือความกลัวกลัวผลของบาปที่จะตามมาคนที่ทำบาปกันนี้ส่วนใหญ่ทำไปเพราะไม่รู้ว่ามีผลของการทำบาปตามมานั่นเองเพราะไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องผลของบุญของบาปคือนรกสวรรค์หรืออบายชั้นต่าง เพราะไม่มีใครสามารถเอามาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้เพราะเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เรื่องของอบายมันเป็นนามธรรมามันไม่ใช่เป็นรูปธรรมมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือตาของร่างกายตาของร่างกายนี้มองไม่เห็นสวรรค์มองไม่เห็นอบาย จ่การที่จะเห็นอบายได้เห็นสวรรค์ได้นี้จะต้องใช้ตาทิพย์คือตาในพวกเรามีสองตาด้วยกันเรามีตานอกคือตาร่างกายและตาในที่เรียกว่าตาทิพย์คือตาของใจสิ่งที่พวกเราไม่มีคือตาในคือมีแต่มันมืดบอดมันถูกโมหะอวิชชา ความหลงความไม่รู้ปกปิดเอาไว้เหมือนกับเอาผ้ามาปิดตานอกถ้าเราเอาผ้ามามัดตานอกเราก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยฉันใดตาในตอนนี้มองไม่เห็นนรกมองไม่เห็นอบายมองไม่เห็นสวรรค์เพราะว่าตาในมันมืดบอดมันถูกโมหะอวิชชาปิดบังเอาไว้ ผู้ที่สามารถเอาโมหะอาวิชชาที่ปิดบังตาในออกได้ก็จะสามารถเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอบายเห็นการเวียนว่ายตายเกิดได้ผู้ที่ทําได้ก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกนั่นเองท่านเป็นผู้ที่สามารถเปิดตาในได้สามารถถอดอวิชชาโมหะ ที่ปิดบังตาในให้ออกไปจากตาในได้จึงทำให้เห็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นผู้ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดเห็นสถานที่ที่ผู้ที่จะเวียนว่ายตายเกิดจะต้องไปก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆอบายชั้นต่างๆนี่ นี่คือสิ่งที่พวกเรายัางไม่เห็นได้ด้วยตนเองเราจึงต้องอาศัยศรัทธาเป็นตัวที่จะทำให้เราเห็นไปก่อนคือเชื่อในคนที่เห็นได้เหมือนกับคนตาบอดที่เชื่อคนตาดีเวลาคนตาบอดจะไปไหนมาไหนนี่ต้องอาศัยคนตาดีนำทางไป การที่คนตาบอดสามารถไปไหนมาไหนได้ก็เพราะมีความเชื่อในในคนตาดีนั่นเองเชื่อว่าคนตาดีจะพาให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่คนตาบอดตาบอดต้องการจะไปได้ฉันใดพวกเราก็เป็นเหมือนพวกคนตาบอดที่ยังต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อในคนตาดี นำทางไปก่อนเราจึงต้องเชื่อพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อพระอาริยสัจสาวกเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมมีตาในของท่านเปิดสว่างขึ้นมามองเห็นนรกเห็นอบายเห็นสวรรค์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะ ไปอบายโดยไม่รู้สึกตัวเพราะธรรมชาติของใจของพวกเรานั้นมักฝ่ายต่ำมากกว่าฝ่ายสูงเมื่อฝ่ายต่ำฝ่ายอบายอบายมุกก็ฝ่ายในการทำบาปก็จะพาให้ใจไปสู่อบายนั่นเองดังนั้นเราต้องมีความกลัวบาปด้วยการเชื่อว่าเมื่อทำบาปแล้วจะต้องไป เกิดในอบายนั้นเองเชื่อใครก็เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงสาวกถ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระอริยสงสาวกท่านจะสอนเหมือนกันท่านจะสอนในดาวละการกระทาบาป ท, ทั้งปวงเพราะการกระทำบาปมีผลต่อการไปเกิดในอบายนั้นเองถ้าเรายังไม่เห็นด้วยตาเราเองเราก็ต้องเชื่อผู้ที่เห็นแล้ว เหมือนกับเราเชื่อป้ายบอกทางเวลาเราเดินทางมักจะมีป้ายคอยเตือนเราว่าให้ชะลอความเร็วลงข้างหน้าเป็นเป็นอันตรายทางโค้งมากถ้าวิ่งเกินเร็วความเร็วเกินขนาดจะต้องแหกโค้งตกเหวไปถ้าเราไม่เชื่อเราวิ่งตามความต้องการของเรา เราก็จะแหกโค้งตกเหวไปแต่ถ้าเราเชื่อป้ายที่บอกให้เราลดความเร็วลงเราก็จะปลอดภัยอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรายังไม่สามารถเห็นได้ด้วยตนเองเราก็ต้องเชื่อคนที่เห็นแล้วและคนที่เห็นแล้วและเราเชื่อได้อย่างตายใจก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายนั่นเอง ตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแต่มีตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนที่ได้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้แหละเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะเข้าหาพระพุทธเจ้าก็ไปอ่านหนังสือธรรมะในพระไตรปิฎกกันเราก็จะได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สอนให้เรากลัวบาปกันอย่าทําบาปเพราะเหมือนทําผิดกฎหมายเห็นไหมตอนนี้มีข่าวว่าต่อไปจะปรับห้าหมื่นบาทถ้าใครไม่มีใบขับขี่ทีนี้กลัวกันใหญ่เลยคนที่ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ทีนี้เริ่มกลัวแล้วเพราะว่ารู้ว่าถ้าเกิดอไม่มีใ บ, บขับขี่ถูกเขาจับนี่นีปรับหนะ้าหมื่น อันนี้ก็ดีอย่างถ้าโทษเบาๆแล้วคนไม่ค่อยกลัวกันถ้าปรับห้าร้อยไม่เป็นไรแต่ถ้าปรับห้าหมื่นนี่ต้องคิดหนักเออันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าเราถ้าเราทาบาปแล้วต้องไปเป็นเดรัจฉานเราอยากจะทำบาปไหมไปเป็นสุนัขมันดีไหมไปเป็นแมวมันดีไหม การเป็นมนุษย์กับการเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างไหนจะดีกว่ากันถ้าไม่ทำบาปก็ไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นมนุษย์การเป็นมนุษย์ก็คือการไม่ทำบาปนี่เองถ้าเราอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็อย่าไปทําบาปอันนี้คือเรียกว่าให้ความกลัวบาปอดตาปะส่วนฮิริก็คือความอาย เพราะคนเ่านี้เรามักจะดูการกระทำเป็นตัววัดคุณภาพของคนว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีคนน่ารักหรือคนน่ารังเกียจก็อยู่ที่ว่าทำบาปหรือไม่ทำบาปนั่นเองคนทำบาปจึงมักจะทำแบบดกซ่อนกันไม่อยากให้ใครเขารู้เพราะถ้าเมื่อรู้แล้วคนก็จะรู้ว่าเราเป็นคนไม่มีคุณภาพนั่นเอง คนเราจึงพยายามปกปิดการกระทําบาสนี่คือฮิริให้มีรู้จักความอายถ้าอายแล้วไม่อยากจะปกปิดก็อย่าไปทํามันดีกว่าเพราะปกปิดบางทีมันก็ปกไม่มิดเดี๋ยวไม่ช้าก็แล้วก็โผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมาต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหน ก็จะถูกทำลายไปหมดเอาให้เป็นผู้ที่มีคนนับถือนับหน้าถือตามากมายอย่างไรแต่พอเขามารู้ทีหลังว่าเป็นคนทำบาปก็จะไม่มีใครก็เคารพนับถื อ, อต่อไปถูกจับศึกกันไปเห็นหมทำบาปนะถ้าไม่ทำบาปก็มีคนเคารพนับถือพระสงฆ์องค์เจ้า แต่พอไปทำบาปทำผิดกฎหมายอี่างนี้ไปติดคุกกันนะนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะละเว้นการกระทำบาปละเว้นอบายามุขต่างๆได้เราต้องมีฮริโอตต ป, ปะมีความอายแล้วก็มีความกลัวผลของบาป การที่เราจะกลัวผลของบาปเราต้องรู้โทษที่จะตามมาเราต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าจากพระอริยสงสาวกและเชื่อว่าสิ่งที่ท่านสอนนี้เป็นจริงไม่ใช่เป็นเรื่องโกหกหลอกลวงทําบาปแล้วต้องไปเป็นเดรัจฉ า, านเป็นเปรตเป็นนสุลกายไปตกนรกถ้าเราเชื่อเราก็จะกลัวการกระทําบาป เหมือนกับเราเชื่อข่าวว่าจะมีการปรับห้าหมื่นบาทยังไม่ทําปรับเลยเพียงแต่มีข่าวออกมานี้เราก็เชื่อกันแล้ววิตกกันละกลัวกันละเนี่ยกลัวว่าจะถูกปรับกันอันนี้ก็เหมือนกันขอให้เราเชื่อแบบเชื่อว่าการกระทําบาปก็จะทําให้เราไปเกิดในอบายกันเพราะถ้าเราเชื่อแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่กล้าทําบาปต่อไป เราจะไม่เสพอบายามุกกันนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะลดความทุกข์ของเราให้น้อยลงไปทั้นต้นก็ไม่ให้ไปเกิดในอบายเพราะในอบายนี้มันทุกข์มากกว่าภพอื่นภพมนุษย์ภพเทวดาภพพรหมนี้มีความทุกข์น้อยกว่าภพของอบายนั่นเอง เราจึงต้องมาปิดประตูอาบายกันละเว้นการเสพอาบายมุกแล้วก็ไม่กระทำบาปกันรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์แล้วเราก็จะปลอดภัยจากการที่จะไปเกิดในอาบายพบชาติที่เหลือจะเป็นพบชาติที่ดีไปตามลำดับถ้าเราอยากจะให้พบชาติของเราพบต่อไปดีกว่าพบนี้ สิ่งที่เราต้องทำเพิ่มนอกจากการรักษาศีลละเว้นอบายามุกแล้วก็คือเราต้องทำบุญกุศลต่างๆให้เกิดขึ้นบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็มีหลายระดับด้วยกันหลายแบบด้วยกันถ้าเรามันทำกันมันก็จะทำให้เราพบชาติของเราดีขึ้นไปตามลาดับ บุญกุศลที่ท่านให้สอนเราทำกันอยู่เรื่อยๆก็คือทำทานแบ่งปันมีข้าวของเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแจกเอาไปจ่ายผู้อื่นกันช่วยเหลือกันเรียกว่าทานทำทานแล้วก็อุทิศบุญได้ทำทานแล้วจะได้บุญแล้วถ้าอยากจะอุทิศบุญให้กับผู้ที่ร่ำลับไปแล้วก็อุทิศได้ อุทิศบุญก็เป็นบุญอีกอย่างเป็นกุศลอีกอย่างหนึ่งเออจนคนตายไปแล้วบางทีเขาไม่มีบุญเขาก็ต้องมารอพวกพวกที่ทําบุญให้แบ่งบุญให้เขาบ้างเอเราทําบุญแล้วเราก็สามารถแบ่งบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงเับไปแล้วได้เอการแบ่งบุญอุทิศบุญนี้ก็เป็นบุญกุศลอีกอย่างหนึ่งการร่วมอนุโมทนาบุญเอ เวลาเห็นผู้อื่นเขาทำบุญเราก็แสดงความยินดีชื่นชมยินดีไปกับการกระทำบุญของผู้อื่นอันนี้ก็เป็นบุญกุศลอีกอย่าง <Yeah. S 1> การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นการทำบุญอีกอย่างเนึง <Yeah. S 1> เห็นใครเขาทำอะไรอยู่ <Yeah. S 1> เราว่างเราก็ไปช่วย <Yeah. S 1> เขากำลังล้างถ้วยล้างชาม <Yeah. S 1> ไปช่วยล้างถ้วยล้างชามกันกาลังกวาดทำความสะอาด เรามีเวลาว่างก็ไปช่วยกันช่วยร่วมช่วยช่วยกันแบ่งเบาภาระให้ต่อกันละกันอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลการทาการถ่อมอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำกันอย่าเป็นคนถือตัวให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ทำตนให้เป็นผู้น้อยเป็นผู้ต่ำไว้แล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลจะไม่มีใครเขารังเกียจจะมีแต่คนชื่นชมยินดีผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่คือให้ทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมมีหลายข้ออีกข้อหนึ่งก็คือการมีความเห็นที่ถูกต้อง การมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นยังไงก็คือการเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อถ้าต้องการยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิตัองละการกระทำบาปทั้งปวงต้องยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม อันนี้คือการมีความเห็นที่ถูกต้องถ้ามีความเห็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเพราะจะทําให้ไม่กล้าทําบาปจะทําแต่บุญทําแต่กุศลจะชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การจะชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ต้องอาศัยบุญอีกอย่างคือเรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือการทําใจให้สงบซ้อนใจให้ฉลาด สอนใจให้เห็นไตรักให้เห็นอริ ย, ยสัจสถ้าเห็นใจรักเห็นอริ ย, ยสัจสก็จะหยุดความอยากต่างๆที่เป็นเหตุพาให้ใจไปเวรว่ายตายเกิดได้นี่คือกุศลต่างๆกุศลอีกอย่างที่สำคัญก็คือกุศลที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมนั่นเอง อย่างที่พวกเรามาฟังเทศฟังธรรมกันอยู่ขณะ น, นี้เรียกว่าเรามาสร้างกุศลกันกุศลแปลว่าความฉลาดนะความฉลาดจะฉลาดได้ก็ต้องฟังเทศฟังธรรมฟังคําสอนของคนฉลาดธรรมะนี้เป็นคําสอนของคนฉลาดคือพระพุทธเจ้ า, าอพระอริยสงสาวกนี้เพียงแต่เอาคำ เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้กับพวกเราอีกทีหนึ่งว่าอริยสงฆ์สาวกนี่ก็ศึกษาจากพระพุทธเจ้ามาก่อนศึกษาจากว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาก่อนเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เอามาถ่ายทอดสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำนอกจากการละการกระทำบาปแล้ว เราต้องสร้างกุศลให้ถึงพร้อมถ้าเราสร้างกุศลมันก็จะทำให้พบชาติของเราดีขึ้นไปตามลำดับพพนี้พหน้าจะดีกว่าพบนี้แล้วพพหน้าพบต่อไปก็จะดีกว่าภต่อไปเรื่อยๆเพราะถ้าเราทำกุศลถ้าเราละการกระทำบาปไปเรื่อยๆก็จะส่งจิตใจของพวกเราให้ขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จากมนุษย์เราก็จะขึ้นไปเป็นเทวดาเทวดาก็มีชั้นต่างๆขึ้นอยู่กับกุศลทรมากทมน้อยทำกุศลน้อยก็อยู่สวรรค์ชั้นต่ำทำกุศลมากก็อยู่สวรรค์ชั้นสูงนอกจากสวรรค์ชั้นเทพแล้วก็ยังมีสวรรค์ชั้นพรหมอีกสวรรค์ชั้นพรหมก็มีหลายชั้นด้วยกันเหนือกว่าสวรรค์ชั้นพรหมก็มีสวรรค์ของพระอริยเจ้า ก็มีอยู่อีกหลายชั้นดดวยกันมีถึงสี่ชัน้นถึงจะไปถึงพระนิพพานถึงจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องอาศัยเนี่ยการละการกระทาบาปทั้งปวงการชำระการยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ต้องกำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจนี่แหละเป็นเรื่องของคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าที่จะพาให้ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติตามอย่างพวกเรานี้พัฒนาจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นไปตามลําดับให้มีความสุขมากขึ้นไปตามลําดับให้ลดความทุกข์ ให้น้อยลงไปตามลำดับจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยอันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นพอาถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์จะไม่มีใครรู้นั้นเองจะไม่มีใครรู้เรื่องของการดับความทุกข์เรื่องของการพัฒนาจิตใจ ให้สูงให้มีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดได้มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี้เท่านั้นที่จะสามารถสอนหรือพาให้พวกเราไปถึงพันธิพาน์านกันได้ถ้าไปพบกับบุคคลอื่นเป็นศาสดาของศาสนาอื่นจะไม่สามารถสอนให้ไปถึงพันธิพาน์านได้เท่าที่สังเกตดู คำสอนของศาสนาต่างๆก็จะสอนได้ให้ไปสู่ระดับสวรรค์ชั้นต่างๆทั้นนั้นศาสนาอื่นนี้จะสอนให้เราจะสอนให้ผู้ปฏิบัตินั้นไม่ทำบาปกันแล้วก็สอนให้ทำบุญกันให้ช่วยเหลือกันดูแลกันแล้วบางศาสนาก็สอนให้ฝึกสมาธิกันเช่นให้ ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าหรือสวดมนต์หรือจับลูกประคำอันนี้เป็นวิธีฝึกสมาธิฝึกใจให้สงบถ้าใจสงบก็จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้ถ้าทำบุญแต่ใจยังไม่ได้แต่ยังไม่ได้ฝึกสมาธิก็ไปได้แค่สวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นเทพมีความสุขน้อยกว่าสวรรค์ชั้นพรหม แต่จะไม่มีใครสามารถสอนให้ไปสู่สวรรค์ของพระอริยะเจ้าได้คือสวรรค์ของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ได้มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะสอนได้ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอก็จะไปได้สูงสุดแค่ระดับสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะเสื่อม ลงจากสวรรค์ชั้นโภคมาสู่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะลงมาเป็นมนุษย์ใหม่ลงมาเป็นมนุษย์ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีผู้สอนก็อาจจะไปทำบาปได้ถ้าไปทำบาปไปเสพอวยบาญมุขเช่นไปเกิดในยุคที่มีแต่คอนเสพอบายะบาญมุกเช่นไปอยู่ประเทศที่เขาไม่มีาศาสนาสังเกตดู ประเทศที่เขาไม่มีศาสนานี้เขามักจะเสพอบายามุกกันเขามักจะทำบาปกันถ้าเราไปเกิดอยู่ในประเทศเหล่านั้นเราก็จะถูกเขาดูดให้ไปทำพาให้ไปทำพาไปเสพอบายามุกพาไปทำบาปกันแล้วเราก็จะต้องไปเกิดในอบายกันนี่คือคำสอนของศาสนาต่างๆ ที่ยังไม่รู้วิธีที่จะสอนให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีคำสอนของศาสนาเดียวเท่านั้นคือศาสนาพุทธที่พวกเรามีศรัทธาความเชื่อกันมีความเคารพนับถือกันนี้เท่านั้นที่เป็นศาสนาที่มีคำสอนที่ครบถ้วนบริบูรณ์ครบคือ สอนให้จิตได้พัฒนาไปสู่ขั้นสูงสุดไปสู่ขั้นหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ศาสนาอื่นนี้สอนได้ไปแค่สสวรรค์ชั้นพรหมแต่ยังต้องติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะเมื่อไปสวรรค์ชั้นพรหมแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพก็มาเกิดเป็นมนุษย์ เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้ว่าจะไปทําบุญหรือทําบาปอยู่ที่สิ่งแวดลอ้อมอยู่ที่สังคมที่ไปเกิดถ้าสังคมเป็นสังคมที่ทําบุญก็จะถูกสังคมดูดดึงให้ไปทําบุญก็จะกลับขึ้นสวรรค์ใหม่หลังจากที่ตายไปแล้วถ้าไปเกิดในสังคมที่มีแต่การเสพอบายามุขมีแต่การทําบาป ก, ก็จะถูกสังคมนั้นดูดให้ไปทำ ทำบาปไปเสพอบายะมุกพอตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายไปเกิดในอบายก็มีการสิ้นสุดเหมือนกันพอบาปที่ส่งไปเกิดในอบายหมดกำลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญทำบาปใหม่แล้วแต่สิ่งแวดล้อมที่ไปเกิดสังคมที่ไปเกิดถ้าจะ ไม่ให้สังคมนี้เป็นตัวดึงดูดก็ต้องทมอะไรให้มันเป็นนิสัยไวเช่นถ้าเราไม่เสพอบายามุขเป็นนิสัยไม่ทำบาปเป็นนิสัยถึงแม้ว่าเราจะไปเกิดในสังคมที่มีการเสพอบายามุขมีการกระทาบาปเราก็จะไม่ทำตามเขาได้เพราะเรามีนิสัยที่จะไม่เสพอบายามุขไม่ทาบาปนั่นเอง ถ้าเรามีนิสัยทำบุญเราก็จะทำบุญถึงแม้ว่าสังคมนี้จะไม่นิยมในการทำบุญก็ตามดังนั้นพยายามปลูกฝังนิสัยที่ดีไว้เถิดเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าเราจะไปเกิดในสังคมไหนในประเทศไหนถ้าเรายังไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วเราก็จะถูกสังคมที่เราไปเกิดนั้นเป็นตัวตัวพาเราไปทำอะไรต่างๆได้แต่ถ้าเราปลูกฝังนิสัยที่ดีไว้สังคมนั้นก็จะไม่สามารถที่จะดึงดูดให้ไปไปทำตามที่เขาอยากให้เราทำได้ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเนี่ย ในแต่ละภพแต่ละชาติในอดีตของท่านนี้ท่านมีแต่ทำบุญลาบาปําระใจอยู่เรื่อยเพียงแต่ท่านยังไม่สามารถที่จะชำระจนถึงสะอาดบริสุทธิ์ได้แต่ท่านก็เพียรพยายามทำบุญลาบาปเพียรพยายามฝึกภาวนานั่งสมาธิทาใจให้สงบอยู่เรื่อย พอท่านมาเกิดเป็นพระพุทธเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระราชบิดาก็อยากจะให้เป็นมหาจากกักรพรรดิอยากจะให้อยู่ครองราศแต่การอยู่คลองราศก็ต้องมีการกระทําบาปต้องมีการทําสงครามเพราะจะต้องมีข้าศึกศัตรูมาลุกลานก็จะต้องมีการต่อสู้ฆ่าฟันกันซึ่งไม่ใช่เป็นนิสัยของ พระพุทธเจ้าของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะไม่ชอบทำบาปเจ้าชายสิทธัตถะชอบทำบุญเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยต้องสละราชสมบัติแล้วก็ไปบวชแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุเพราะว่าท่านปลูกฝังนิสัยที่ดีไว้ในใจ นิสัยชอบทำบุญชอบละบาปชอบทำใจให้สงบนั่นเองจึงทำให้สังคมที่พระองค์มาเกิดอยู่ด้วยคือพระราชาวังไม่สามารถที่จะครอบงำจิตใจของท่านได้ไม่สามารถมีอิทธิพลต่อความปรารถนาในการทำความดีต่างๆของเจ้าชายสิทธัตถะได้นั่นเองมีทรัพย์สมบัติมีราชาสมบัติมากน้อยเพียงไร กับไม่มีอิทธิพลที่จะดึงดูดให้พระไทยของเจ้าชายศิททัตถติดอยู่กับสมบัติเหล่านั้นเลยสามารถสละราชสมบัติได้อย่างง่ายดายนี่แหละคือการปลุกฝังนิสัยที่ดีที่เราเรียกว่าบุญบรารมีนี่บุญบรารมีถ้าเราทำให้มันติดเป็นนิสัยแล้วเวลาเราไปเกิดเป็นมนุษย์ ที่ไรเราก็จะทําบุญอยู่เรื่อยๆถ้าเราชอบทําบุญทําทานเราก็จะทําทานอยู่เรื่อยๆถ้าเราชอบรักษาศีลเราก็จะรักษาศีลไปเรื่อยๆถ้าเราชอบเข้าวัดปฏิบัติทำฟังเทศฟังธรรมชอบบวชเราก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปอยู่ที่ไหนอถึงแม้ที่เราอยู่ไม่มีวัดไม่มีอะไรแต่ก็ไปหาที่ที่มีอเช่นชาวต่างประเทศเนี่ย เขามีนิสัยที่จะมาบวชกันถึงแม้อยู่ในประเทศที่ไม่มีวัดไม่มีที่บวชเขาก็อุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเมืองไทยมาบวชมาปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เพราะว่าเขาได้ปลูกฝังนิสัยของการปฏิบัติธรรมนี้อยู่ในใจเขานั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะพยายามทากัน บ่อยๆทํากันเรื่อยๆเพราะถ้าทําบ่อยๆทําเรื่อยๆแล้วมันจะติดเป็นนิสัยพอถึงเวลาก็อยากจะเข้าวัดกันพอถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ก็อยากจะเข้าวัดกันถึงแม้จะมีเพื่อนมาชวนให้ไปเที่ยวไปทํากิจกรรมอย่างอื่นถ้ามันเป็นนิสัยแล้วก็จะปฏิเสธได้อย่างง่ายดายถ้าไม่เป็นนิสัยอถ้ามาวัดด้วยความอ ด้วยความบีบบังคับนี่ถ้ามีโอกาสไม่มาเมื่อไหร่ก็จะไม่มาทันทีถ้ายังต้องบีบบังคับให้มาวัดก็ถือว่ายังไม่เป็นนิสัยพอมีเพื่อนมาชวนไปเที่ยวมีบัตรฟรีให้ไปดูคอนเสิร์ตนี่ก็จะไปกับเพื่อนทันทีจะไม่มาวัดเพราะยังไม่ได้เป็นนิสัยแต่ถ้าเป็นนิสัยแล้วต่อให้เอาเงินมาให้ก็ไม่เอา ต่อให้มาชวนแล้วเอาเงินมาให้ด้วยก็จะไม่ไปเพราะการมาวัดนี้มันได้คุณประโยชน์มากกว่าต่อจิตใจได้ความรู้สึกที่ดีกว่าต่อจิตใจนั่นเองดังนั้นขอให้พวกเราพยายามทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าให้มากๆให้บ่อยๆทําให้อย่างต่อเนื่องจนนั้นมันเป็นนิสัย แล้วมันจะทำง่ายต่อไปต่อไปการละการกระทำบาปทั้งปวงนี้ก็จะง่ายการยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมก็จะง่ายการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็จะง่ายแล้วเวลาที่ถ้าเรายังไม่สำเร็จในภพนี้ชาติหน้าภพนี้พอชาติหน้าเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะทำต่อได้เลย จะมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คอยสอนคอยเตือนเราอยู่หรือไม่ก็ไม่สำคัญเพราะเรามีนิ ส, สัยที่จะทําอยู่แล้วเราก็จะพยายามทาของเราไปเรื่อยๆถ้ามีพระพุทธพระธรรมมาคอยช่วยคอยสอนให้กำลังใจก็จะทําได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่มีเราก็ยังจะทําของเราไปเรื่อยๆอันนี้คือเรื่องของ การมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาทำตามคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าถ้าทาอยู่บ่อยๆแล้วจะติดเป็นนิสัยไปจะเป็นบุญบา ร, รมีที่จะพาให้เราได้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าไม่พบนี้ชาตินี้ก็พบต่อไปชาติต่อไปจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ มาปรากฏอยู่ือไม่ก็ไม่สำคัญเพราะถ้าเรามีนิสัยแล้วเราไปของเราเองก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีก็จะทำให้ง่ายขึ้นทำให้เร็วขึ้นถ้าไม่มีก็ช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้ท่านก็ไปของท่านเองเพราะท่านไม่ได้มีพระพุทธศาสนามาคอยพาไปท่านเลยต้องอาศัยบุญบรารมีของท่านพาไปเอง แล้วในที่สุดท่านก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพวกเราก็เหมือนกันถ้าพวกเรามันศึกษามันปฏิบัติมันทำตามคำสอนอยู่เรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วเราจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันได้อย่างแน่นอนดังนั้นเนื่องจากฝนฟ้าอากาศเริ่มมาก็จะคิดว่าขอล ง, งับขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ก่อน ขออนุโมทนาให้ผ่อนยัถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะยุตโตทินางเปตานางอุ ป, ปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเกปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตุอันตระโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวัตนศีลิสานิจังวุฒาปจายโน จตโรโอธรร ม, มวทาอายุวันโอสุขังภาลังลดับต่อไปก็เป็นช่วงถามต่อบปัญหาใครมีคำถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้ไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมแต่หลังจากเลิกประชุมแล้วจะของด การถามตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็ให้เขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาแล้วจะมีผู้อ่านคำถามให้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ f a c e b o o สามรอยี่สิบเก้าคนครับ y o u t u ร้อยสามสิบเอดคนครับวิทยุออนไลน์ยี่สิบสามคนครับผู้รับฟังบนเขาเก้าสิบสามคนครับรวมทั้งหมดห้าร้อยเจ็ดสิบหกคนครับอาจารย์ ถ้ามีคำถามก็อ่านได้เลยคำถามจากทางไลน์ค่ะจากคุณสุภัสค่ะขอเรียนถามพระอาจารย์ครับการทำบุญเราสามารถทำแทนคนในครอบครัวได้ไหมครับหรือต้องต่างคนต่างทําครับต้องของใครของมันแต่ฝากทําได้เช่นเรามาวัดไม่ได้ฝากเงินมาฝากของมานี่ฝากได้ ต่ต้องเป็นของของเราต้องเป็นเจตนาของเราไม่ใช่คนอื่นเป็นเอาของคนอื่นเขาให้ของเรามาแล้วบอกให้เอาไปทำบุญอย่างนี้เราจะไม่ได้บุญเพราะไม่ใช่เป็นของของเราและไม่ได้ออกมาจากความตั้งใจของเราคนถามจากคุณวีระยุทธ์ค่ะช่วงหนึ่งหลังจากไปพักฝึกปฏิบัติภาวนาที่วัดถ้มสหายจังหวัดอุดรธานี จิตใจฝักใฝ่ในการสวดมนต์รักษาศีลเดินจงกรมนั่งภาวนาคือขยันมากอยากทำไม่เบื่อจิตเบาการไม่มีโผลหน้ามาเลยเบามากพอนานๆมากลับมาบ้านความฝักใฝ่ในสิ่งนั้นมันค่อยๆหายไปเพราะอะไรครับกับมีอารมณ์ขุนมัวต่างๆมาแทนที่เช่นการมคุณรัก ใครทำให้ความดีต่างๆมันเสื่องซึมไปไม่เหมือนก่อนต้องทำอย่างไรจะให้อารมณ์ดีๆแบบนั้นกลับมาสุดท้ายการมคุณจะต้องจัดการอย่างไรครับก็การศรัทธาความศรัทธามันก็เสื่อมได้เวลามีศรัทธามันก็มีความเพียรมีความพยายามที่จะปฏิบัต แต่พอศรัทธาเริ่มเสื่อมมันก็จะทำให้ความเพียรพยายามมันเสื่อมตามไปเรื่เราต้องพยายามเสริมศรัทธาอยู่เรื่อยๆการเสริมศรัทธาก็ต้องให้เราเลิกถึงพระพุทธพธรรมประสองค์อยู่เรื่อยๆนั่นเองให้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเรื่องราวของพระอริยสงสาวูอยู่เรื่อยๆพร้อมกับการปฏิบัติตามอยู่เรื่อยๆ ต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อ ง, องบางเวลาถึงแม้จะไม่มีความอยากจะทำเราก็ต้องบังคับให้มันทำเพราะว่าใจเรามันยังไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีอารมณ์มาคอยเปลี่ยนแปลงใจเราได้บางวันอารมณ์ดีก็ขยันบางวันอารมณ์ไม่ดีก็ขี้เกียจได้งั้นเราต้องมีมาตรการแก้ความขี้เกียจ กอารมณ์ไม่ดีคือเราต้องมีตารางมีการกําหนดเวลาของการกระทําแล้วก็ต้องทําตามเวลาที่เรากําหนดไว้เหมือนกับการรับประทานอาหารนี่เรามีตารางบา ง, บางวันเราไม่มีอารมณ์จะรับประทานแต่เราก็ต้องรับประทานเพราะเรารู้ว่าถ้าไม่รับประทานเดี๋ยวมันจะหิวได้ฉันั้นการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน ถ้าถึงเวลาเราต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วเดี๋ยวมันจะเสื่อมได้มันจะถอยได้นีเราต้องมีมาตรการรักษาศรัทธารักษาความเพียรของเราด้วยการมีกำหนดเวลาให้เราได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆฟังธรรมฟังประวัติของพระพุทธเจ้าฟังประวัติของพระ อ, อริยสงสาวกไม่มีฟังก็อ่านอ่านประวัติต่างๆ แล้วก็ปฏิบัติตามตารางถึงเวลานั่งสมาธิก็ต้องนั่งถึงเวลาเดินจงกรมก็ต้องเดินถ้าเรามีตารางตายตัวอย่างนี้มันก็จะแก้เรื่องของอารมณ์ได้ที่มีการขึ้นขึ้ น, นลงๆอารมณ์ของเราบางอารมณ์ก็ขยนันบางอารมณ์ก็ขี้เกียจท่านถึงเปรียบเหมือนกับกระต่ายกระต่ายถ้ามันขยนันมันก็วิ่งใหญ่เลยพอมันขี้เกียจมันก็ไปเล่นไปทาอะไรของมัน ท่านบอกอย่าทําแบบกระต่ายให้ทําแบบเต่าเต่านี่เขามีตารางเขาต้องเดินไปเรื่อยๆจะมีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์เขาก็เดินของเขาไปเรื่อยๆเ อ, อเดี๋ยวในที่สุดเต่าก็จะถึงหลักชัยก่อนกระต่ายออไม่อยากจะถามคำถามเลยเ อ, อ่ะเดี๋ยวเอาไมโครโฟนไปเจสิก้าส่งไปเท่ากับถามหลวงพ่อครับว่า การทําสมาธิครับถ้าเราทําสมาธิแม้ว่าเราจะออนอนนอนหลับเพียงพอแต่พอเราทําสมาธิแล้วครับเราจะรู้สึกเหมือนจะง่วงนอนเหมือนเราจะหลับหรือว่า อ, อ, อุปรสรรคอย่างนี้ครับมันเป็นอุปรสรรคที่สําคัญในการที่จะเจริญสมาธิที่ให้ก้าวหน้าขึ้นไปหรือว่าเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงะครับ ธรรมดาถ้าจะปฏิบัตินั่งสมาธิก็ต้องไม่รับประทานอาหารมากเกินไปครับแต่รับประทานอาหารอิ่มมากมันก็จะง่วงนอนง่ายคงั้นก่อนที่จะปฏิบัติจริงๆจังๆนี้เขาจะถือศีลแปดกันเราจะไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วครับผมอย่างนี้ก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของความง่วงนอนไปได้ในระดับหนึ่งคแต่ถ้ายังง่วงอยู่ก็ จ, จะต้องลดอีก กินให้น้อยลงไป บ, บางครั้งอาจจะต้องเว้นเลยงดไปหนึ่งวันไม่กินหนึ่งวันอย่างนี้มันจะจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความง่วงนอนได้นะครับผมอดี๋ยถ้าเราอดอาหารไม่ได้ก็ต้องไปหาที่น่ากลัวนั่งสมาธิไปนั่งที่เมนี่ที่วัดที่เ็ามีเมนเผาศพตอนคืนไม่มีใครไปนั่งคนเดียว เดี๋ยวมันรับรองได้ไม่ง่วงแน่ๆอ่าก็เป็นอย่างเนี้ยมีสองวิธีที่ในวิธีอื่นก็สําหรับพระก็ไปอยู่ในป่าที่มีสิงสาราสัตวบอยู่คนเดียวมันก็มีความกลัวพอมีความกลัวมันก็จะไม่ค่อยง่วงเท่าไครับขอบคุณครับหลวงพ่อครับอคําถามต่อไปจากทางเฟซบุ๊กนะคะ กาบสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะการปฏิบัติธรรมนั้นหากไม่ได้ปลงผมสิ่งนี้จะขวางกั้นการบรรลุธรรมหรือไม่เจ้าคะในกรณีที่จะบวชพรามและบวชชีแบบปลงผมเจ้าค่ะ อ, อ๋อไม่มีปัญหาหรอกเรื่องปลงหรือไม่ปลงที่เขาปลงกันเพราะว่ามันสบายกว่าไม่ต้องมีผมคอยดูแลนั่นเองถ้ามีผมก็ยังต้องคอยหวีคอยสะคอยอะไรอยู่ ก็ไม่มีผมแล้วก็สบายอาบน้ำก็ไม่ต้องคอยรอให้มาเช็ดผมให้แห้งอาบปับันก็แห้งปุ๊บเลยไม่ต้องมาคอยหวีคอยดูแลคอยตัดอีกนี่คือประโยชน์ของการโกนผมคือจะได้ตัดภาระเรื่องของผมไปคาถามจากทางยูทู e ค่ะรบกวนพระอาจารย์ช่วยอธิบายสมานตตา ในสั่งกหาวัตถุสี่ในภาคปฏิบัติให้หน่อยเจ้าค่ะไม่รู้เหมือนกันนะสมานัตา ต, าตาตาแปลว่าอะไรไม่ได้เรียนตำราต้องขอภัยด้วยลองถามกูเก l e ดูดีกว่าคำถามต่อไปจากคุณโอโซนค่ะรบกวนสอบถามครับตอนเช้าปิดประตูบ้านแล้วเผลอไปทับกิ้งคือขาดไปสองท่อนแต่เขายังไม่ตาย แบบนี้จะบาปไหมครับพยายามใส่บาตร ท, ทาบุญให้เขาครับอ๋อถ้าไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจไม่บาปถือว่าเป็นอุบัติเหตุคำถามจากคุณไผ่งามค่ะเคยนั่งภาวนาเมื่อผ่านความเจ็บแล้วทุกอย่างในโลกราบเรียบไม่มีอะไรเลยแม้แต่ตัวเองก็ไม่เห็นค่ะสงบค่ะคืออย่างไรคะก็คือว่าได้ผลไง ให้ผลจากการปฏิบัติพยายามทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆทําจนไม่มีความกลัวความเจ็บเพราะความเจ็บนี้เป็นเหตุที่จะทาให้เราได้ได้ผลที่ดีถ้านั่งแล้วไม่เจ็บมันจะสงบไม่ลึกเหมือนกับนั่งแล้วเจ็บถ้านั่งแล้วเจ็บแล้วเราผ่านมันได้นี่จิตจะลงลึกจะสงบมากกว่าคำถามจากทาง Facebook ค่ะถ้าลึกๆแล้ว เรามีความสนใจอยากจะบวชแต่ติดที่พ่อแม่ยังไม่สบายและเป็นลูกคนเดียวเราควรจะทำอย่างไรดีครับก็บวชใจไปก่อนก็ศึกษาว่าเวลาบวชแล้วเขาต้องทำอะไรกันเราก็ทำตามนั้นไปดูแลพ่อแม่ไปเราก็สามารถปฏิบัติสามารถศึกษาทำไปได้พร้อมๆกัน ตอนนี้นะคะ อ, อ, อาจารย์คณุอขขนุญาตเรียนถามนะคะออไม่ทราบว่าทําไมที่เวลาเรานั่งภาวนาแล้วเวลาที่มันสงบทําไมเราได้ยินเสียงหัวใจเราชัดชัดมากเลยเจ้าค่ะก็ใจมันไม่ได้ส่งออกมันมันอยู่ในอยู่ในใจมันใกล้อยู่กับหัวใจเราเมันก็ได้ยินแต่ถ้าใจเราไปส่งไปออกไปข้างนอกเราก็เลยจะไม่ได้ยินเรื่องหัวใจเต้นของเรา เพราใจเราโม่แต่ไปรับรู้เรื่องอื่นแทนไปรับรู้เรื่องคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้หัวใจที่อยู่ใกล้ๆอะไรไม่ได้ยินแต่พอเราหยุดการรับรู้เรื่องภายนอกมันก็ไม่มีอะไรให้รับรู้มันก็เลยได้ยินหัวใจเอเตเอนก็เหมือนกับเสียงต่างๆที่ค่อยๆอย่างเงี้ยถ้าอยู่ข้างนอกเราจะไม่ได้ยินเสียงค่อยๆเสียงแบบนี้เพราะมันจะมีเสียงดังครอยมากรบอ แต่พอเรามาอยู่ที่ที่ไม่มีเสียงดังกบเราก็จะได้ยินเสียงของสัตว์เล็กสัตว์น้อยของนกของอะไรที่ในเมืองเราก็มีนกแต่ไม่ค่อยได้ยินเสียงนกร้องกันหรอกพราะได้ยินแต่เสียงดังกว่าได้ยินเสียงรถยนต์เสียงอะไรแต่ถ้าเกิดตอนคืนเวลาคนนอนหลับไม่มีรถวิ่งนี่บางทีเราก็จะได้ยินเสียงที่เราไม่ได้ยินตามปกติเท่านั้นเลย ไม่เป็นไรยังไม่มีมาใช่ไหมยังเจ้าค่ะยัง ม, มีคำถามค่ะไม่เป็นไรก็คุยกันไปก่อนเรื่องจิตของเรานี่มันอยู่ที่ว่ามันหันหน้าไปทางไหนมันหันหน้าไปทางข้างนอกมันก็จะรับรู้เรื่องราวภายนอกเรื่องราวภายในมันเลยไม่รู้กันเรื่องราวภายในคือเรื่องของโลกทิพย์นี่โลกของการเวียนว่ายตายเกิดโลกของนรกโลกของสวรรค์นี่ มันอยู่ภายในอยู่ในโลกทิพย์แต่ใจเราไม่เคยหันหน้าข้อหาโลกทิพย์ใจเราหันหน้าออกไปทางโลกกตธรรมเราหันหน้าไปทางลาบยศสรรเสริญหันหน้าไปหารูปเสียงกดลดิ่นรสผลถภาใจเราก็เลยได้ยินได้เห็นแต่เรื่องของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกดลดิ่นรสผลถภากันเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องอริยสัจสี่นี้ไม่เห็นกันเลย ทั้งๆท่านมันก็มีอยู่ในใจของเราเพราะใจเราหันหลังให้กับมันนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามาภาวนากันะเพราะการภาวนานี้เป็นเหมือนกับการกลับใจเราให้หันหน้ากลับเข้ามามองข้างในเมื่อเราดึงใจกลับเข้ามาด้วยพุทโธพุทโธหรือด้วยอาณาปณะสติใจก็จะค่อยๆหันหันหน้ากลับมาหันจาก การไปเห็นราบยศสรรเสริญเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็จะกลับเข้ามาเห็นใจเห็นตัวเวียนไหวาตายเกิดเห็นนรกเห็นสวรรค์ที่อยู่ในใจของผู้ที่เวียนไหวาตายเกิดนั้นมีคําถามเข้ามาจากทาง youtube นะคะคําถามจากคุณบีไนทคะ่ะอยากเรียนถามว่าเวลาเห็นเพื่อนที่เขารวยมีชีวิตที่ดีใช้ของแพงหรูหรา เราเป็นเพื่อนกันมาควรคิดอย่างไรเจ้คาคะก็คิดว่าเป็นเรื่องของเขาเรื่องใครเรื่องมันแต่และคนนี่มีบุญมีบาปมีกรรมมีเวรทำมาไม่เท่ากันตอนนี้เพื่อนเขากาลังรับอ น, นิสงผลบุญของเขาอยู่เขาก็เลยร่ารวยเรายังไม่ได้รับอ น, นิสงหรือเราอาจจะไม่เคยทำบุญมาเหมือนเขาเราก็เลยไม่มีอ น, น, อ น, นิสงผลบุญติดมา ก, กับเรา เราก็ต้องอยู่ไปกับตามสภาพของเราอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสสอนให้พวกเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะทากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของบุญและบาปนั้นตอนนี้เขารับผลบุญของเขาเพราะเขาทำบุญมาเราไม่ได้ทำบุญมาเหมือนเขาเราก็เลยไม่มีผลบุญที่เราจะได้รับเหมือนเขาเราก็ต้องอยู่ตามอัตภาพของเรา ขอให้ gged, เรามีความพอใจกับสิ risk, ่งท so yeah. so, ี่เรามีอยู่ยินดีกับสิ่งที่เราได้รับเราก็จะมีความสุขได้เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่พอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ยินดีกับสิ่งที่เราได้รับเราก็จะมีแต่ความทุกข์ใจไปเรื่อยๆเราให้เราได้มามากน้อยเพียงไรถ้าเรายังไม่พอเราก็ยังไม่มีความสุขงั้นเราอย่าไปมองคนอื่นถ้าจะมองคนอื่นก็มองคนที่เขาต่ากว่าเราดีกว่า คนที่เขามีน้อยกว่าเราพอเราเห็นคนที่เขามีน้อยกว่าเราเราก็จะรู้สึกไม่น้อย อ, อกน้อยใจแต่พอเราไปเห็นคนที่เขามีมากกว่าเราเราจะรู้สึกน้อยใจเพราะเราอยากจะได้เหมือนเขาแล้วพอเราไม่ได้เหมือนเขาเราก็จะไม่สบายใจไม่ทุกข์เราก็จะไม่มีความสุขใจคำถามจากทางไลน์ค่ะจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามเจ้าค่ะถ้าเราเคยไปศึกษาปฏิบัต กับสำนักหนึ่งซึ่งต่อมาภายหลังเกิดความไม่แน่ใจในคำสอนว่าถูกทางหรือเปล่าเราจึงตัดสินใจไม่เดินทางนั้นต่อแล้วมาเลือกปฏิบัติในแนวทางที่เราเชื่อถือเราจะทำอย่างไรกับหนังสือหรือสื่อการสอนต่างๆที่เราเคยได้รับมาจะนำไปบริจาคโดยส่วนตัวก็กลัวว่าจะทำให้คนอื่นที่ได้รับไปเดินทางไปผิด เหมือนที่เราไปมาแต่ถ้าจะทิ้งก็รู้สึกผิดกับสำนักนั้นเพราะเราเองก็ไม่แน่ใจว่าทางสายนั้นผิดจริงๆหรือเปล่าเกรงจะเป็นปรมาจรไปนะคะขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะก็วางไว้เฉยๆก็แล้วกันเก็บไว้เฉยๆพอเก็บ่อเก็บไว้วางไว้ที่ไหนสักแห่งก็ได้คำถามจากทางเฟ e b ุ๊ k คุณเทพธิดาค่ะ เรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะการที่จะรักษาศีลแปดดิฉันได้ยินมาว่าต้องยี่สิบสี่ชั่วโมงถึงจะเต็มวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ดิฉันได้สมาทานศีลตอนเก้าโมงเช้าแต่ลาศิกขาตอนหกโมงนี้ได้ไหมเจ้าคะหรือต้องให้ถึงเก้าโมงก่อนเจ้าคะจะได้ถึงเก้าโมงก็ดีถ้าไม่ถึงก็แสดงว่าไม่ได้เต็มร้อย เหมือนทาข้อสอบไม่ได้ทํา24ข้อทําแค่21ข้อก็ได้แค่21ข้อนั้นเองคำถามจากทาง YouTube จากผู้ประสงค์ไม่ออกนามคะ่ะ จ, จากที่ได้ฟังเทศเมื่อวานโยมขออนุญาตเล่าถึงการปฏิบัติที่ทําอยู่เพื่อพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาชี้แนะ หากต้องมีการปรับปรุงแก้ไขสิ่งใดเพิ่มเติมโยมจะตั้งจิตอยู่ที่ตัวรู้และเมื่อมีความรับรู้มากขอภัยค่ะและเมื่อมีความรับรู้มากระทบผ่านทางอายตนะต่างๆก็จะทราบถึงความกระเพื่อมที่เกิดขึ้นภายในแล้วดับไปและพิจารณาว่ากลุ่มอาการที่มากระทบก็ดีความเข้าใจให้ชื่อที่เกิดขึ้นก็ดี ไม่ทราบปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องหรือไม่คะก็ต้องพิจารณาสิ่งที่เรามารับรู้ว่าเป็นตายรั์ไปทั้งหมดว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีมามีไป อ, อย่าไปยินดียินร้ายเพราะจะทําให้เกิดความอยากยินดีก็อยากจะให้อยู่ไปนานนานยินร้ายก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆแต่มันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ ห้ามันไม่ได้มันจะมาก็ห้ามมันไม่ได้มันมาแล้วจะสั่งให้มันหายไปก็ไม่ได้ถ้าไปอยากก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปรู้ว่าเดี๋ยวเขาเข้าไปไม่ว่าดีหรือชั่วเดี๋ยวเขาก็ไปเพราะเขาไม่เที่ยงเราไปควบคุมบังคับไปกําจัดเขาเองไม่ได้ <c oughs> คำถามถามจากทางไลน์จากผู้ประสงค์ไม่ออกนามคะ่ะคนที่เป็นคู่กันจำเป็นต้องมีสินเสมอกันหรือไม่ครับถ้าคนหนึ่งตั้งใจปฏิบตัติแต่อีกคนยังไม่ได้เริ่มอย่างจริงจังคือจะว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นมันก็อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไร <c oughs> ถ้าต้องการไปไปพร้อมกันไปถึงที่หมายอันเดียวกันก็ต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันเหมือนขับรถสองคันเนี่ย ถ้าเราต้องการให้รถสองคันนี้ไปไหนมาไหนพร้อมกันได้ทุกแข่งทุกคนเนี่ยเราก็ต้องวิ่งให้มันเท่ากันความเร็วต้องเท่ากันถ้าคันหนึ่งเร็วกว่าคันหนึ่งเดี๋ยวคันหนึ่งผ่านไฟแดงไปได้แต่คันหนึ่งมาติดไฟแดงเพามาช้าก็จะตามกันไม่ทันนั้นถ้าอยากจะไปด้วยกันก็ต้องปฏิบัติเท่าเทียมกัน คำถามจากคุณวัชร์ค่ะเราต้องละสักกายทิฐิให้ได้ก่อนก่อนละกามราคะใช่ไหมครับหรือเราสามารถละกามราคะก่อนสักกายทิฐิก็ได้ก็ลองดูสิอันนี้ก็ผู้ปฏิบัติจะรู้เองสันทิฏฐิโกผู้พุทธพุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องละสักกายทิฐิก่อนถึงไปละกามราคะได้แต่ถ้าเราอยากจะ เก่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือเราอาจจะไม่เหมือนพระพุทธเจ้าเราก็ลองไปละกามการมระคะก่อนก็นได้้วแต่คำถามจากคุณพัทวิรยาค่ะถามว่าเวลาทำสมาธิแค่หลับตามันมีแต่แสงสว่างจนแสบตาสาพักเหมือนความสว่างมันเต็มจักรวาลไปหมดหาที่ตั้งไม่ได้สบายปลอดโปร่งโร่งเบากาย หายไปแต่มีตัวรู้เด่นดวงอยู่ไม่มีอาการตกผวงังเลยใช้เวลาไม่นานก็สว่างทุกครั้งถามว่ามันถูกต้องไหมเจ้าคะความจริงเรานั่งสมาธินี้เพื่อเราไม่ต้องการความสว่างเราต้องการความสงบถ้ามันสว่างแลวสงบก็ใช้ได้แต่ต้องการความสงบไม่ใช่ต้องการความสว่าง จะสงบได้ใจต้องเพ่งอยู่กับอะไรอันอย่างใดอย่างหนึ่งใจต้องไม่คิดปรุงแต่งเช่นเพ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือเพ่งอยู่กับพุทโธพุทโธไปคําถามต่อไปจาก facebook นะคะพามาบวชขออภัยคะ่ะคําถามไม่ชัดเจนคะ่ะผ่านไปไม่ชัดเจนก็ต้องผ่านไปส่งมาใหม่ก็แล้วกัน ตอนนี้ส่งมาใหม่แล้วก็พระอาจารย์เพราะพาลูกมาบวชกับเรียนพระอาจารย์ผมเป็นพระเตือนพ่อแม่น้องแล้วใช้ถ้อยคำตรงๆแล้วยอมรับไม่ได้หาว่าพระไม่นิ่งพระโปงไม่ได้วางไม่ได้ว่าพระว่าไม่ปฏิบัติว่าต่างๆนานาผมกลัวกรรมเหล่านั้นติดพวกเขา แล้วพวกเขาจะเป็นบาปเพราะเขาคือพ่อแม่พี่น้องอยากให้เขาได้บุญครับก็อย่าไปบอกเขาสิอย่าไปว่าเขาเพราะเราไปว่าเขาเขาก็เลยทําให้เขาโกรธเราเพราะงั้นถ้าเราไม่อยากให้เขาโกรธเราก็อย่าไปบอกไปสอนไปว่าเขาเพราะเขารับเราไม่ได้เขายังไม่ศรัทธาในตัวเราการถามจ้าคุณจตุพรค่ะนิมิตกับอุปาทานเกิดขึ้นขณะนั่งสมาธิ จะแยกได้อย่างไรครับอุปทานมันต้องอุปทานอะไรลนะ่ะอุปทานคือความยึดติดยึดติดในนิมิตถ้ายึดติดในนิมิตก็ให้กลับมาหาดูลมหายใจหรือมาพุทโธพุทโธอย่าไปสนใจกับนิมิตต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาอย่าไปอยากให้มันโผล่ขึ้นมาเวลานั่งให้อยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไปคําถามจากทางยูทูบค่ะ น้ำมนมีผลต่อกรรมอย่างไรก็น้ำมนก็ทำให้ร่างกายเปียกนะสิ <eg> feet, <c oughs> คำถามจากคุณบีไนค่ะอยากเรียนถามว่าเป็นคนรักสวยรักงามมากอยากทำใจให้สมกับวัยความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ควรคิดอย่างไรดีเจ้าคะก็คิดว่าร่างกายตอนนี้มันเป็นเหมือนกับศพเดินได้นี่เอง พอไม่หายใจเมื่อไหร่มันก็กลายเป็นศพทันทีเนี่ยจะเอาความสวยความงามมาหุ้มห่ออย่างไรมันก็เหมือนกับเอามาหุ้มห่อศพนี่เอเนี่ยเมื่อรู้ว่าร่างกายมันเป็นศพเดินได้ก็จะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการไปเสริมความงามต่างๆให้กับร่างกายมันก็จะรับความแก่ความตายได้คําถามจากทางไลน์ค่ะ ก า, การที่คนรักของเราสวดมนต์ภาวนาจนสิ่งที่ละสิ่งที่เคยทำให้เป็นประจำจากหนึ่งร้อยน้อยลงจนเกินครึ่งดิฉันทราบเหตุผลแต่ยังยอมรับทั้งหมดไม่ได้และตัวดิฉันเองมีการสวดมนต์และภาวนาอยู่เหมือนกันแต่ยังทําการละไม่ได้เหมือนคนรักอย่างนี้ดิฉันควรทำอย่างไรคะอย่างนี้จะเป็นตัวถ่วงคนรักหรือไม่เจ้าคะ ไม่ทราบว่าเขาทำอะไรกันยังไงลองอ่านใหม่ดิลองวิเคราะห์คำถามใหม่ดิลอง<ม>แปลให้เราฟังหน่อยดิเขาหมายความว่าอย่างไรเดี๋ยวขออีกครั้งนะคะเขาเขาบอกว่าการที่คนรักของเขาสวดมนต์ภาวนาจนสิ่งจนถึงสิ่งที่เคยละเหมือนประมาณว่าสามีหรือเปล่าครับอ่า ที่ทำได้หนึ่งรอเอร์เซนแต่ตัวตัวพี่เขาเองเหมือนว่าทําทําได้น้อยกว่าภาวนาน้อยกว่าคือเขาถามว่าประมาณว่าเขาจะเป็นตัวถ่วงสามีหรือไม่เจ้าคะก็ไม่ถ่วงหรอกของการปฏิบัติของใครก็ของเหมือนไปจะถ่วงก็ต่อเมื่ อ, อเราต้องบังคับให้เขาทําเท่าเราแต่เขาทามากกว่าเราเราบ่อกให้เขาทําน้อยๆ น, นี้ก็จะถ่วงเขา แล้วก็ทําได้มากก็ปล่อยก็ทําไปเราทําได้น้อยแล้วก็ทําของเราไปสองเหมือนรถสองคันวิ่งไปใครวิ่งได้เร็วกว่าไปไกลกว่าก็ไปไม่ต้องมากังวลกับรถคันหลังะคันหลังก็ไปตามภาษาของคันหลังไปก็แล้วกันแต่ถ้าคันหลังบอกว่าพี่อย่าปะอย่าทิ้งหนูนะะต้องไปพร้อมกันนะอย่างนี้เขาก็ก็เราก็จะเป็นตัวถ่วงเขาคําถามจากคุณสุ ธ, ธีคะ่ะ อยากสอบถามครับพระเครื่องจำเป็นจาเป็นหรือดีต่อชีวิตคนไหมครับหรือไม่จำเป็นครับไม่แขวนแล้วภาวนาอย่างเดียวดีกว่าไหมครับพระเครื่องก็เป็นวัตถุอย่างหนึ่งที่เรามาสมมุติว่าเป็นพระพุทธเจ้าความจริงก็เป็นดินที่เราบาป้านกันมาทำกันหรือเป็นโลหทะท่านั้นเองมันก็เป็นเหมือนวัตถุธรรมดาทั่วไป ไม่มีอิทธิพลไม่มีไม่มีอะไรต่อจิตใจเพียงแต่ถ้าเกิดความเชื่อก็เลยทําให้กลายเป็นเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อจิตใจขึ้นมาแต่ไม่มีประโยชน์อะไรต่อจิตใจคําถามจากคุณคงนภัทรค่ะถ้าคู่ของเราประพฤติพรหมจรรย์แต่เรายังไม่พร้อมเพราะมีความอยากจะทําอย่างไรดีครับ ก็ต้องขออนุญาตเขาว่าไปนอนกับคนอื่นได้ไหม <c oughs> อ้าวถ้าไม่ไม่ขออนุญาตเดี๋ยวไปทำมันก็จะบ้านแตกสาลกขาดได้ถ้าขออนุญาตก็เขาก็จะไม่โกรธเขาก็พราะในเมื่อเขาไม่ทำหน้าที่ของเขาก็ต้องอนุญาตให้เขาไปหาคนอื่นที่ทำหน้าที่แทนเขาแทนเขาได้คาถามจากคุณเทพธิดาค่ะ เรียนถามอีกหนึ่งคำถามค่ะการที่ดิฉันไปซื้อปลาดิฉันบอกเขาว่าเอาปลาตายสามตัวเดี๋ยวกลับมาเอาแต่มองดูแล้วไม่มีปลาตายเลยเขายื่นให้พอดูแล้วเขาทำปลาที่ยังไม่ตายให้ดิฉันจะเป็นบาปหรือไม่เจ้าคะบาปบาปถ้าเราไปบอกเขา ถ้าไปดูแล้วถ้าไม่มีปลาตายเราก็ไปร้านอื่นอย่าไปบอกเขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาเอาปลาตายสามตัวอันนี้ถ้าเขาอยากจะขายเราเขามีปลาไม่ตายเขาก็ต้องทําให้มันตายยันอย่าไปพูดอย่างนั้นถ้าไปดูแล้วเห็นไม่มีปลาตายเราก็เดินไปหาร้านอื่นถ้าไม่มีร้านอื่นวันนั้นก็อย่าไปกินปลาก็แล้วกินกินผักกินอะไรไปแทนก็ได้ ผักนี่ประโยชน์กว่าปลานะบอกให้รู้กันกินแล้วมีวิตามินมีแร่ธาตุขับถ่ายก็ง่ายกินปลานี่อาจจะมีเชื้อโรคติดเข้าไปในตัวปลามันก็จะถ่ายเข้าสู่ร่างกายเราได้มีตัวหนอนตัวอะไรเข้าไปตัวพยาธิถ้ากินปลาดิบอะไรพวกนี้ของที่ยังไม่ตายกินปลาที่มันไม่สุกนี้ ยดี๋ยวเชื้โลกที่มีอยู่ในเนื้อปลามันก็ยังจะมีชีวิตไปทําโทษกับร่างกายเราได้เอนถ้าเรามีทางเลือกกินผักได้กินผักดีกว่าแต่ไม่ไม่ได้หมายความว่ากินผักจะวิเศษกับคนที่กินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วมันก็เป็นอาหารเหมือนกันเองแต่ว่ามันไม่ยุ่งยากไม่ต้องเสี่ยงกับการทําบาปคําถามจากคุณดิที่ค่ะ กับเรียนถามพระอาจารย์มีโยมมาว่าพระองค์นี้เป็นพระเกไม่สมรวมไม่ปฏิบัติแต่พระองค์นี้ท่านเป็นพระปฏิบัติดีเขาจะมีกรรมติดตัวไหมครับเพราะเอ่ยวาจาไม่รู้ภายในช่วยให้ตักเตือนคนว่าพระครับกลัวเป็นบาปครับเขาก็มีความหลงติดตัวไปนะครับเขากระเวยความเห็นผิดเป็นชอบ เห็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคนไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปคําถามจากคุณบิวค่ะสติปฐานสี่ช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับพระอาจารย์ออไปฟังเทศเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้เทศชั่วโมงหนะึ่งไปฟังได้ตั้งแต่ต้นเลยคําถามจากคุณแม่มดค่ะขอถามพระอาจารย์เวลาภาวนาพุโทโธใจยังไม่นิ่ง นับพุโทโธหนึ่งถึงร้อยจะบาปหรือไม่เจ้าคะ อ, อ๋อไม่บาปหรอกการพุโทโธนี่มีหลายแบบพุโทโธแล้วนับไปด้วยก็ได้ไม่ไม่นับก็ได้ไม่เป็นไรเป็นบุญการทําการมีสติระลึกอยู่กับพุโทโธนี่เป็นพุท ธ, ธานุสติเป็นการฝึกสติเป็นการทําสมาธิคําถามจากคุณพานุวัตรค่ะนั่งสมาธิเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เราถึงสภาวะธรรมจิตรวมครับเหมือนกับกินข้าวนะ่ะกินข้าวเราจะรู้ได้ไงว่าเราอิ่มหรือไม่อิ่มมันรู้เองถ้าจิตรวมจิตสงบมันก็จะรู้เองถ้ามันยังไม่รวมมันไม่สงบมันก็ยังไม่รู้ว่ามันรวมหรือ ไ, ไม่สงบเห็นทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอมันรวมก็จะรู้อ่อนรวมเป็นอย่างนี้เหมือนกินข้าวกินเข้าไปเรื่อยๆถ้ากินยังไม่อิ่มมันก็ไม่รู้ว่าอิ่มเป็นยังไง กินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันอิ่มมันก็รู้อเองอ๋ออิ่มเป็นอย่างนี้กินไม่ลงะมันก็อิ่มนะคำถามต่อไปค่ะการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำจะลดกรรมได้หรือไม่เจ้าคะจะลดกรรมได้เพราะวาเวลานั่งไหว้พระสวดมนต์เราก็ไม่ทํากรรมอย่างอื่นนะเราไม่ไปด่าคนนั้นด่าคนนี้นเรามานั่งสวดมนต์แทนนี่มันก็ลดการกระทากรรมได้ ถ้าสวดได้ทั้งวันทั้งคืนก็จะไม่ต้องไปทํากรรมอย่างอื่นได้คําถามต่อไปค่ะแต่กรรมเก่าที่ทําแล้วลดไม่ได้นะอันนี้ลดกรรมใหม่กรรมเก่าก็ต้องใช้ไปทําแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีผลของกรรมเก่ามามาให้เรารับแต่เราไม่ทํากรรมใหม่ได้ลดการกระทํากรรมใหม่ได้คําถามต่อไปค่ะปกตินั่งสมาธิจะใช้ภาวนาพุทโธ แต่วันนี้นั่งแล้วจิตมาจับกับลมหายใจเข้าออกเองอัตโนมัติเราต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะก็ใช้ลมไปดูลมไปอก็ติดอยู่กับลมอย่าทิ้งลมจนกว่าจิตจะสงบแล้วมันก็จะทิ้งลมได้คำถามต่อไปคะ่ะสอบถามพระอาจารย์ครับการฟังธรรมและหลับได้บุญหรือไม่ครับได้หลับเนี่ยได้ความสุขจากการหลับ แต่ไม่ได้อันที่สงห้าประการที่จะเกิดจากการฟังธรรมการฟังธรรมนี้มีห้าอันที่สงห้าประการถ้าไม่หลับเนกะ็จะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับจะทำให้เรากำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้สี่ทให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญา ทำให้จิตใจผ่องใสสงบมีความสุขนี่คืออนิสงส์งที่เกิดจากการฟังธรรมแบบไม่หลับถ้าฟังธรรมแบบหลับก็จะได้การการกลนเป็นผลตามมาครอกครอกหมดแล้วยังยังไม่หมดเจ้าค่ะมีทาง YouTube ค่ะการไม่สวดมนต์ทำสมาธิแต่ทำความดีไม่เบียดเบี่ยนใครแบบนี้จะได้บุญไหมครับได้บุญน้อยกว่า การทำความดีการไม่ทำบาปนี้บุญน้อยกว่าการทำใจให้สงบคำถามจากทางไลน์จากผู้ประสงค์ไม่ออกน้มค่ะพระอาจารย์เจ้าขาลูกอยากรบกวนสักหนึ่งคำถามลูกเคยทำแท้งมาเมื่อตอนลูกยังเด็กโดยรู้ว่าการทำแท้งไม่ถูกต้องและทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการ แต่ลูกก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาตลอดโดยการบวชชีพราหมณ์ก็เลยทามาเขาจะได้รับสิ่งที่ลูกทำไปให้หรือไม่เจ้าคะออก็แล้วแต่ว่าเขาอยู่ในสภาพถ้าเขาไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเขาก็จะไม่มารอรับบุญที่เราส่งไปแตถ้าเขาเป็นเปรตเขาก็จะมารอรับบุญอยู่ เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ในสภาพไหนเราจะทําเผื่อไว้ก็ได้คําถามจากคุณหนุ่ยคะ่ะการนั่งสมาธิทําให้จิตเรานิ่งยังไงครับพระอาจารย์ขอความเมตตาครับก็มันไม่คิดไงพอเราไม่คิดจิตมันก็จะนิ่งพอมันนิ่งแล้วก็จะเย็นจะสบายมีความสุขใจของเรานี่คิดอยู่ตลอดเวลาเราเลยจึงไม่ค่อยมีความสุขกันถ้าเราหยุดความคิดได้ ใจนิ่งใจสงบใจก็จะเกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีความสุขไหนเหมือนเปรียบเทียบได้คำถามต่อไปค่ะกาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะนั่งสมาธิจำเป็นต้องมีสินครบห้าข้อหรือไม่เจ้าคะ เ, าเวลานั่งมันก็มีครบอยู่แล้วอะเพราะเวลานั่งก็ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปรักทรัพย์ไม่ได้ไปประพฤติผิดประเวณีไม่ได้ไปพูดปลดไม่ได้ดื่มสุรายาเมา ก่อนมานั่งสาคัญกว่าตอนนั่งมันไม่ต้องตอนนั่งมันมีนมแล้วแต่ก่อนมานั่งถ้ามันไม่มีมันก็จะมานั่งไม่ได้ถ้าไปฆ่าสัตตัดชีวิตอาจจะไปติดคุกอาจจะไปนั่งในคุกในตารางแทนหรือไปขึ้นลงขึ้นศาลถ้าไปลักขโมยก็ก็ต้องไปทำกิจเหล่านั้นอยู่มันก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิได้ถึงจะต้องมีศีลคือไม่ทาอะไร หมดแล้ ว, ลวเหรอก็ใกล้เวลาพอดีก็เอาท่านนี้ก็แล้วกันนะขอให้ท่านจะนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด